น้อมน้อมแล่พระพุพะทะธรรมพระสงฆ์ขอากา ร, ขราบคารวะครูบาอาจารย์โดยมีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนและก็ขอากราบคารวะพระเทรานุเทระและก็เพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพร แชแลวก็ผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ท่านอาจารย์ทรงสินให้โอกาสาตัวกระผมเรือตมาได้มาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดสิ่งที่จะพูดคุย จริงๆก็คงไม่มีเรื่องอะไรมากจากเรื่องของตัวชีวิตนะตัวเราเองสิ่งที่จะพูดไปนั้นก็อาจจะกระตกบกพร่องบ้างนะก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้ชี้แนะตักเตือนในสิ่งที่อาจจะผิดพลาดนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ จะขอความอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์และก็เพื่อนสาธมิกทุกท่านเออวันพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์นะก็จะไม่ย้อน ล, ลึกไปถึงตัวเองสมัยที่เป็นก ร, าวารนะว่าแลราก็สนุกสนานนะกับเทศกาลสงกรานต์เรามีความคิดนะว่า ไปเที่ยวสงการสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินนั่นก็เป็นสิ่งที่ตัวกระผมเรียตมาเองหรือหลายๆคนก็คงเคยผ่านประสบการณ์นี้แต่เมื่อเราสังเกตจากความรู้สึกเหล่านั้นก็พบว่าก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวชั่วคราวแล้วก็เหน็ดเหนื่อย กับการที่เราต้องเดินทางกับการที่เราสนุกสนานนี่ฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวกับผมเลี้กทํรรมเองก็เคยผ่านประสบการณ์มาและยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ประเพณีการเล่นสงกรานต์ก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่เอาชนะกันเป็นเรื่องที่แกล้งกันซึ่งก็ทำให้คนที่ไปร่วมเล่นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนุกสนานเท่าไหร่ และก็ผิดเพี้ยนไปและเป็นความสุขที่ช่วครั้งโชวคราวแล้วก็มีอันตรายก็น่าอนุโมทนาสำหรับทุกท่านที่ใช้ช่วงเวลาสงกรานต์ซึ่งหยุดระยะยาวมาค้นหาหรือแสวงหาความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งกันที่วัดป่าสุขโตในช่วงเวลานี้ เส้นความสุขที่พวกเราแสวงหาหรือค้นหานั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำขึ้นมาให้กับตัวเราเองได้ความสุขหรือสิ่งที่เป็นความอิ่มอกอิ่มใจในตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำขึ้นมาได้โดยที่เราหันกลับมาเรียนรู้ เข้าไปในตัวเราแทนที่เราจะไปแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกนะซึ่งโดยส่วนใหญ่คนในโลกปัจจุบันก็จะมุ่งไปดูข้างนอกเอาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเร่ไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือแม้แต่กายสัมผัส วิใใจัยที่นึกคิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้เข้าไปที่ตัวเราเราก็จะพบว่าความสุขเหล่านี้หรือความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไม่รู้เมื่อเราไม่ได้กลับมาดูที่ตัวเราเองเราก็ต้อง สแสวงหามันเลื่อยไปก็จะเหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้เมื่อเรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขชั่วขณะนะแล้วเราก็ต้องต้องการความสุขนั้นขึ้นไปเรื่อยๆเราเห็นว่าในในโลกปัจจุบันนี้ คนบางคนก็พยายามหาความสุขนะก็คือความสนุกสนานในรูปแบบแปลกๆขึ้นไปเรื่อยๆคนบางคนถึงขนาดยอมที่จะใช้ยาเสพติดนะเมื่อไม่นานมานี้ได้ฟังข่าวมีนักพูดหรือดาราชาวอเมริกันคนหนึ่งนะเสบโคโเคนจนถึงกับหมดหมดลมหายใจไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแสวงหาความสุขที่มีความเสี่ยงมาก นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยสิ่งภายนอกเนี่ยมาทําให้เรามีความสุขซึ่งจริงๆมันก็เป็นมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วประเดียดประดาวสาหรับการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราได้มาเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจก็จะทําให้เราสัมผัสนะกับความสุข หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบชั่วประเดี๋ยวประเดาเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสัมผัสกับความความสุขที่แท้ จ, จริงนั้นนะมันมก็จะผ่านกับความทุกข์ไปก่อนแต่ก่อนตัวกบผมเล่าสมาเองก็มองภาพของการมาฝึกกรรมฐานหรือฝึกเจริญสตินเนี่ยในภาพที่ สวยงามแล้วก็คือนั่งนิ่งๆสงบมีความอิ่มอกอิ่มใจมีความรู้สึกราบซ่านซึ่งตอนนั้นก็ได้จากการฝึกอาณาปณสตนะิใช้ลมหายใจกำหนดลมหายใจก็มีความสุขและคิดว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วแต่เมื่อเราลืมตาขึ้นเราไปสัมผัสกั บ, กบชีวิตจริงๆกับผู้คนกับสังคม มีสิ่งมากระทบกระเทือนใจเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกนั้นมันไม่มีหรือบางทีเราก็เกิดโกรธขึ้นมาเกิดร้อนบูบบ่าขึ้นมามันก็เป็นสิ่งสะท้อนสะท้อนให้เราทราบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วนะ่ะจริงๆเราไม่รู้นะมันเป็นความสงบชั่วขณะเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ประนีตนะกว่าการที่เราไปสนุกสนานอันนี้เป็นความสุขที่ ก็ไม่ถือหลังยั่งยืนแต่เมื่อเราได้มาฝึกเจริญสตินะด้วยวิธีการนี้เนี่ยนะตัวกระผมนิสิตามาเองได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเทียนนะเมื่อประมาณสามสิกบกว่าปีที่แล้วแล้วก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยฟังหลวงพ่อไม่เข้าใจเพราะว่าหลวงพ่อท่านพูดด้วยภาษามึงเลยบ้างภาษาอีสานบ้างเราฟังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถนัดไม่ชัดเจน แต่เมื่อเราได้เรียนรู้มาเรื่อยๆพยายามฝึกฝึกตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นวิธีการเจริญสติโดยการ เ, เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวิธีการที่กระทัดรัดสำเร็จรูปแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในทุกโอกาสเราไม่จำเป็นต้องหลับตา นะเราลืมตาทำจุดใหญ่ก็คือว่าเท่าที่ประสบาการณ์พบก็คือว่าให้เรามีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวให้ชัดก่อนถ้าเรารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวชัดเนี่ยมันจะเป็นการเรียกความรู้สึกตัวที่ออกไปข้างนอกเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตัวเราเมื่อกลับมาอยู่ที่ตัวเราแล้วเมื่อเราเคลื่อนไหวเรารู้ซึ่งเป็น กิริยาหรือเป็นการเคลื่อนไหวที่ที่หยาบํานะว่ายาบในที่นี้คือมันใหญ่มันจะเห็นได้ชัดนะแต่ตอนเคยฝึกอนาปนาณสติเนี่ยใช้ลหมหายใจเนี่ยมันจะละเอียดมันจะเบาแล้วมันจะง่วงแล้วบางทีมันไปติดความสงบได้ง่ายทีนี้การฝึกโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยตื่นตัวได้เร็ว แล้วเราก็ไม่ติดกับความสงบนะแล้วก็ง่วงเนี่ยมีแต่เราก็จะรู้ทันสามารถที่จะต่อรองกับความง่วงได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีมีขนาดใหญ่เราสามารถเห็นได้ง่ายถ้าเป็นฝึกอาณาป า, านสติเนี่ยมันมันเบาแล้วก็มันชวนให้ง่วงได้ง่ายแล้วก็จะติดสงบได้ง่ายแต่การใช้การเคลื่อนไหวเนี่ย นะตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราตื่นตัวได้ง่ายได้เร็วทีนี้แต่ในการฝึกการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเราจะสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าการฝึกสมาธิหรือการฝึกกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้สึก เยน็นนิ่งสงบแต่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยมันไม่เยน็นมันไม่นิ่งมันไม่สงบเลยแล้วนะมันเจอกับความง่วงมันเจอความฟุ้งซ่านมันเจอกับควา ม, า ม, ค, วามความไม่ชอบใจหลายอย่างแลนะ้วโดยเฉพาะความง่วงเนี่ยเจอเจอมากสําหรับตัวกระผมนิธ ม, มาเองเจอมากแล้วก็ความฟุ้งซ่านนี่ก็จะเจอมากถ้าเดินจงกรมเนี่ยจะเจอความคิด ความฟุ้งซ่านมากแรกๆก็คิดว่าเอ๊ะเราทําถูกหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะฝึกสมาธิทำไมเรายังฟุ้งซ่านทําไมเรายัง ง, ง่วงเหงาเหานอนเราเห็นภาพโดยทั่วๆไปนั่งอิ่มยิ้มไม่ง่วงเลยเนียนะ่เราไปทําอนาปนาสีแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีง่วงงอกง่ว ง, ง, ง, งเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้สึกสงบแล้วเราก็รู้สึกเอออิ่มตรงนี้มันก็เลยทําให้บางคนเนี่ย ทอ้อนะทำเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าทำแล้วทําไมมันง่วงทำแล้วทําไมมันฟุ้งซ่านทํำแล้วทําไมมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ทีนี้พอเราฟังครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่านั่นแหละมันเป็นประการด่านแรกเป็นสิ่งที่จะมากลางกั้นเราทำให้เราไม่สามารถไปสัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นปกติใจที่เป็นปกติได้ความรู้สึกง่วงเหงาเหานอนเนี่ย มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งเป็นธรรมะอย่างหนึง่งที่มันโผล่มาให้เราดูให้เรารู้ให้เราทันให้เราเรียนรู้มันทุกแง่ทุกมุมที่แม้มแต่ความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งผิดอะไรนะอย่างยังสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายคนหรือตัวกระผมน่าจมาเองแต่ก่อนในช่วงแรกๆเนี่ยเคยคิ ด, คดว่าอันเนี้ยเราเดินมาผิดแล้วละ มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดอันนี้คือเราเราคิดไปคิดไปเองเราไม่ยอมรับในสภาพที่มันแสดงออกมาตัวผมเรียนธอรมมาเองก็ก็มาดูว่าตัวเราเนี่ยเรียนหนังสือมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนให้เราคิดเพราะนั้นบางทีเนี่ยความรู้สึกตัวที่เป็นที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นๆซื่อๆตรงๆ แต่เพราะไอเราเรียนหนังสือมาเนี่ยใช้ความคิดมากเราก็จินตนาการไปจินตนาการไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เราบางทีหลงไปเราเคยฟังหลวงพ่เทียนท่านบอกว่าถ้าทําให้ถูกต้องเนี่ยภายในหนึ่งวันถึงสามสิบวันก็จะรู้นะภายในหนึ่งปีถึงภายในหนึ่งปีก็จะรู้ภายในสามปีก็จะรู้เออเราทํามานี่ทำไมเรายังไม่เข้าใจ ทำมาเป็นเดือนตอนนั้นยังเป็นโยมเป็นยังไม่ได้บวชก็ก็สงสัยคือตรงนั้นเนี่ยเพราะเราจินตนาการมากเกินไปเพราะฉะนั้นคนที่เรียนหนังสือมามากคนที่มีความรู้มากเนี่ยบางทีจะจะไปได้ช้าเพราะตรงเนี้ยเพราะเราคิดมากเราไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นธรมธรมดาธรรมดาหลายคนจะมองว่าวิธีการฝึกเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวิธีการ ดูง่ายๆแต่ทำไมมันไม่ง่ายที่มันไม่ง่ายเพราะเราคิดมากเกินไปนะมันคิดมากเกินไปจินตนาการมากเกินไปเราไม่ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอะไรที่มันเกิดขึ้นจะเป็นความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวที่มันซื่อๆตรงๆเนี่ยบางทีเราก็มองไม่เห็นหรือแม้แต่ความล่วงเหลาห่านอนมาเราก็ปฏิเสธมันหรือแม้แต่ความคิดมันเกิดขึ้นเราก็พยายามจะกดไม่ให้มันคิดหรือพยายามจะเลี่ยง แล้วนะบางทีเราทำบ้างๆเราง่วงเราก็เลี่ยงไม่ทาเลยบางคนก็เลยเลี่ยงไปทํางานอย่างอื่นนะไปเพลินกับการเก็บขยะบ้างไปเพลินกับการตัดต้นไม้บ้างนะก็ไม่ได้กลับมาดูความรู้สึกตัวซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราเนิ่นช้าตัวกับผมเนือธรมาเองก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้เมื่อเราได้มารู้สึกกับกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะดูมันตรงไปตรงมาซื่ อ, อตรงๆเนี่ยนะแล้วก็ยอมรับ สภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ไปจมอยู่กับสภาวะนั้นกลับมาที่การเคลื่อนไหวเอาการเคลื่อนไหวนี่ยเป็นฐานถ้ามันง่วงเราเดินจงกรมเนี่ยมันง่วงเราเดินให้เร็วขึ้นหรือเราเดินหน้าเราเดินถอยหลังก็คือแก้อารมณ์มันนะตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะแก้อารมณ์แล้วเราจะเห็นความง่วงมันหายไปต่อหน้าต่อตาโอ้มันเป็นอย่างนี้ ตรงนี้มันก็จะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะก็คือความไม่เที่ยงนะความที่มันทนไม่ได้และเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้สิ่งนี้มันถ้าเราสังเกตเราแก้แก้อารมณ์เหล่านี้โดยใช้ความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวนี่เป็นฐานสำคัญตรงนี้เป็นพื้นฐานเลยสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ก็ตามคนที่เคยฝึกมานานก็ตามก็ยังต้องใช้อยู่ เมื่อเราชัดเจนกับกายที่เคลื่อนไหวแล้วสัมผัสได้ชัดเจนแล้วเนี่ยความแม้แต่ความคิดความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อรองได้อย่างเช่นเราเดินจงกรมเนี่ยมันฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยเราเดินให้เร็วขึ้นเดินถอยหลังบ้างนะตรงนี้หรือแม้แต่การสร้างจังหวะบางทีเราทําช้ามันง่วงง่วงเราทําให้เร็วนะตรงนี้เนี่ยมันจะแก้อารมณ์แล้วเราจะเห็นความรู้สึกตัวมัน มันแสดงตัวที่ชัดเจนขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้เป็นสิ่งที่ง่ายๆแต่บางทีเราก็คิดมากเกินไปใช้จินตนาการมากเกินไปสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้เราไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกซื่อๆตรงๆที่หลวงพ่อเทียนชอบใช้คมรู้สึกซื่อๆตรงๆอันนี้เราใช้ความคิดมากเกินไปเมื่อเรา มีความรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวแล้วจากความรู้สึกตรงเนี้แหละมันก็จะสามารถเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เรียกว่าเวท น, า, นาเวทนาที่เกิดขึ้นจริงๆความรู้สึกเหล่านี้มันก็แสดงตัวของมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาสังเกตเราไม่ได้มาดูมันเพราะตาในก็คือตัวสติหรือความรู้สึกตัวเรามันยังไม่เปิด นะมันยังไม่ชัดเจนมันยังขมุก ข, ขมัวมันยังสลัวสวยังไม่ชัดเพราะเราเราใช้ความคิดของเรามากเกินไปเราไม่มีความรู้สึกที่ซื่อๆตรงๆ ต, ตามันก็เลยไม่เปิดตาคือสติคือความรู้สึกตัวเนี่ยที่เราอาศัยฐานกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าไปมองเห็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆไอ้ความรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันมองเห็นยากแต่ความรู้สึกสุขเนี่ยมันจะมองเห็นง่าย ริดทุกเนี่ยมันก็จะมองเห็นง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ให้เราสังเกตนะสังเกตเมื่อเราดูบ่อยๆดูมันเรื่อยๆมันก็จะมีความง่วงเข้ามาแทรกบ้างมันจะมีความฟุ้งซ่านเข้ามาแทรกบ้า ง, บา ง, งบางทีก็คิดเรื่องนู้นบางทีก็คิดเรื่องนี้เข้ามาแทรกบ้างก็ช่างมันไม่เป็นไรก็ผ่านผ่านโดยกลับมาที่รู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวจะเป็นการยกไม้ยกมือก็ดีจะเป็นการเดินจงกรมก็ดี เลืขยับนิ้วเล่นก็ดีคึงนิ้วมือก็ดีกระพิดตาก็ดีสิ่งเหล่านี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกความรู้สึกตัวกลับมาที่ฐานกายแล้วตรงฐานกายเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าไปดูในสิ่งที่ละเอียดเข้าไปในตัวเราอีกจากกายก็ไปเวทนาแล้วก็ไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตก็คือความคิดนั่นเองแต่ก่อนความคิดเนี่ยเราไม่ทันมันเราคิดเรื่องหนึ่ง มันก็ยาวไปเช่นคิดถึงเรื่องบ้านแล้วก็คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงงานที่บ้านคิดถึงกิจกรรม ต, ต่างๆมันก็เป็นเรื่องเป็นราวออกไปคนนี้ไม่ได้ฝึกสติหรือไม่ได้เจริญสติหรือมีความรู้สึกตัวที่ไม่ทันเนี่ยมันก็จะคิดยาวไปบางทีมืนหัวก็มีตัวกระผมเรียกทำไมเก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่องหนึ่งต่อไปเรื่องนึงต่อไปเรื่องหนึ่ ง, ต ง, งแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่ชัดเนี่ยแรกๆเนี่ย อาจจะคิดสิบเรื่องอาจจะรู้ทันเรื่องหนึ่งเอาอะไรอีกเก้าเรื่องเราไม่ทันไม่เป็นไรแล้วเราก็สังเกตดูทําความรู้สึกตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆคิดสิบเรื่องเรารู้สองเรื่องอ่ะพัฒนาขึ้นแล้วไม่รู้อีกแปดเรื่องไม่เป็นไรแล้วก็ดูมันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีคิดปุ๊บรู้ปั๊บนั่นคือความรู้สึกตัวเริ่มเริ่มเริ่มที่ใช้การได้เริ่มอัตโนมัติขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอาศัยความรู้สึกตัวที่ฐานกาย เข้าไปเป็นตัวที่จะทำให้ตาในก็คือตัวสติเนี่ยมันมันมันเปิดขึ้นและตัวสุดท้ายก็คือธรรมะเนี่ยธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นปรากฏการณ์ภายนอกก็ดีจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในภายในตัวเราก็ดีมันก็จะแสดงตัวของมันเราก็ดูนะเป็นผู้ดูความรู้สึกตัวนี่มันจะเป็นผู้ดูนั้นก็จะดูแล้วก็จะถอยห่างออกมา ซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นภาวะที่เราสามารถที่จะสัมผัสกับจิตใจที่เป็นปกตนะิจิตใจที่เป็นปกติเนี่ยเป็นสภาพธรรมชาติของคนทุกคนที่มีอยู่แล้วแต่ที่เราไม่รู้เพราะว่าบางทีมันมีอารมณ์มีความคิดมีความรู้สึกเข้ามาบังนะเหมือนกับพระาทิตเนี่ยมันสว่างมันอยู่แล้วแต่ที่มันมืดเพราะมันมีเมฆมาบัง พระอาทิตย์มันก็สว่างของมันใจของเรามันก็สว่างของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยช่วยทีนี้เมื่อเราฝึกในรูปแบบแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยพอเราไปทําการทํางานเราไปเดินเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยไอตัวความรู้สึกเนี่ยมันจะเอาไปใช้โดยตนณมมันมันเป็นไปเองเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกฝึกให้ชัดเจนในรูปแบบเนี่ยมันจะช่วยทําให้ การใช้ชีวิตนอกรูปแบบเนี่ยก็มีสติเข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้เราสังเกตตัวกระผมเรียกทำไมเองก็พยายามสังเกตดูว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราฝึกดีแล้วเนี่ยเราไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยพอมีสิ่งมากระทบแล้วเราใจเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงดีใจเสียใจโกรธเกลียดหรือไม่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีแสดงว่า เออสติเรายังไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองก็ดีเพราะฉะนั้นการฝึกของเราเนี่ยหรือการกระทําของเราเนี่ยให้เราสังเกตทุกเวลานาทีจะเป็นในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีตัวตรงนี้มันจะฟ้องกลับมาและให้เราพัฒนาตัวเราเองตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าครูที่แท้จริงก็คือตัวเราเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสาคัญ เป็นสิ่งที่เราใช้การสังเกตใช้การพิจารณาโดยเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวที่พิจารณาเป็นตัวที่สังเกตเป็นตัวที่ดูอยู่เรื่อยๆเท่าที่ได้ฝึกหรือว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์นี้ก็เห็นว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่กระทัดรัดมากใช้เครื่องมืออันเดียวคือความรู้สึกตัวเนี่ย นะสิ่งอื่นๆมันก็จะเกิดมันจะตามมานะแต่ก่อนเนี่ยเคยอ่านหนังสือธรรมะเคยเรียนรู้หลายๆวิธีก็จะต้องมีไอ้ตัวนู้นมีธรรมะตัวนู้นตัวนี้มาประกอบกันทําให้เกิดสติขึ้นมาทําให้เกิดความขยันขันแข็งขึ้นมาแต่พอเรามาฝึกจริงๆแล้วโอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันใช้ได้เพียงแต่เราทําให้มันเป็นประจําให้มันเป็นนิสัย ถ้าเราทําให้เป็นนิสยัยทําให้มันถูกต้องเนี่ยธรรมะข้ออื่นๆสิๆ่งอื่นๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจเนี่ยได้บ่อยๆเรื่อยๆแต่จุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เราเราก็คงต้องคอยสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆเราอย่าไป เ, เชื่อมั่นตัวเองว่าเรารู้แล้วตัวกระผมเรื่องธมะเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสมัย ปีสองพยิบห้าได้ไปบวชแล้วไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนนะไปฝึกอยู่ประมาณสามสิบกว่าวันนะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยตอนนั้นรู้จักรูปนามเนี่ยก็คิดว่าตัวเองรู้ดูแลวนะความรู้สึกการรู้จักรูปนามคือมีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาแม้กายที่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจที่นึกคิดเราก็รู้หรือปรกากฏการณ์ภายนอกลมที่เย็นกลิ่นดอกไม้ที่หอม อ่านที่รถจืดเราก็สัมผัสได้หรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่านั่นะเรารู้แล้วจริงๆมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองอ่านะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เอ่อตัวกระผมเรื่องตรรมาเองก็ประมาณอนะ่รู้ได้ยังไงว่ามันไม่ถึงที่สุดรู้ได้ยังไงว่ามันยังไม่ถูกอ้าวก็เราไปใช้ชีวิตประจําวันมันมีคนพูดไม่ถูกหูแล้วก็โกรธขึ้นมาแล้วอ่าแสดงว่าเราไม่แน่จริงแสดงว่าเรายังไม่ถึงที่สุดครูบาอาจารย์ก็มาเตือน ตรงนี้เราก็รับฟังเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูสังเกตแล้วก็เรียนรู้จากการใช้ชีวิตประจําวันด้วยจากการที่เราทําในรูปแบบด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การฝึกของเราในมีความต่อเนื่องที่หลวงพ่อเทียนชอบใช้คำว่าให้ทําแบบต่อเนื่องแบบลูกโซ่เนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าเราจะต้องมานั่งทําอย่างนี้ทั้งวันนะคือเราพยายามที่จะฉวยโอกาส ให้มีความรู้สึกตัวแม้แต่นอกนอกรูปแบบนะเราเดินลงจากศาลานี้ไปบันไดไปที่พักนะเราก็พยายามสังเกตให้มีความรู้สึกตัวในการก้าวเดินในการทำกิจกรรมต่างๆนะในปูที่นอนแปลงฟันล้างหน้าล้างตานะทานอาหารนะคือทานอาหาเนี่ยเราทานอาหารนี้ คนนี้ไม่เคยเนี่ยทําได้ยากมากเพราะว่าโดยเพราะจะเป็นพระเนี่ยนะเราไม่ได้ไม่ได้ฉันอาหารเย็นนะแล้วพอเช้านี่มันหิวพอมันหิวเนี่ยมันก็จะรีดกินอย่างเต็มที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีเราเราไม่มีสติแล้วไม่มีความรู้สึกตัวบางทีเราก็กินอย่างรวดเร็วนะบางทีก็ติดคอบ้างอะไรบ้างตรงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะเค่อยค่อย ทานาหารหรือว่าเคี้ยวนะให้มันละเอียดนะแล้วก็มีความรู้สึกกับ อ, อ, อาหารรสของอาหารแม้แต่รสอาหารจืดๆเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้เปนะรี้ยวหวานมันเค็มเรารู้สึกได้ชัดเจนนะตรงนี้ก็เป็นสติที่สามารถใช้ได้กับการการกินนะหรือแม้แต่การดื่มแล้วนะบางคนเนี่ยถ้าไม่มีสติเราดื่มน้ำอย่างรวดเร็วบางทีมันติดคอมกินก็ ไม่ทันไม่ทันใจตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ซึ่งผลจากการที่เราได้ฝึกในรูปแบบเนี่ยเมื่อความรู้สึกตัวชัดเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการกินการนอนการขับถ่ายแม้แต่าการขับถ่ายในห้องน้ำเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนะบางทีก็อาจจะทำให้เราเไม่สบายไดนะ้อย่างเช่นการทายอุจจาระปัสสาวะที่เบ่ง แรงเกินไปะตรงนี้ก็เราไม่มีความรู้สึกตัวซึ่งในวินัยของพระเองก็มีข้อทอี่กำหนดไว้เหมือนกันว่าการเบ่งมากนี่ก็ถือว่าผิดวินัยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวินัยของพระเพราะฉะนั้นในแง่ของพระสงฆ์เองวินัยเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะพระที่บวทใหม่เนี่ย เ, เข้าใจว่าได้หนังสือนวากูว่าก็น่าที่จะได้อ่านตรงนี้เนี่ยวิไนเนี่ยก็มีส่วนที่จะทําให้สติเกิดขึ้นเพราะตัวกระผมด้วยธรรมาเองตอนที่เมื่อสี่เดือนที่แล้วได้ได้อ่านวิไนแล้วก็พยายามปฏิบัติตามเอออันนี้มันก็ช่วยทําให้เรามีสติขึ้นมานะก็เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยทําให้มีสติไม่ว่าจะเป็นการคลองผ้าการขบฉันการขับถ่าย การเดินอย่างการดื่มน้ำเนี่ยเป็นพระเนี่ยเราไปยืนดื่มมันก็ผิดวินัย้วต้องนั่งดื่มให้มันเรียบร้อยกริยริยามารยาทการไปบินธบารในหมู่บ้านนะเราก็เดินด้วยความสำรวมไม่ใช่เดินวกแวกมองไปมองเข้าไปในบ้านอะไรอย่างนี้นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่วินัยก็ได้ไ ด, ได้พูดถึงแล้วควบคุมเอาไว้เพราะฉะนั้นสาหรับพระที่บทใหม่ก็อยากจะแนะนาว่า หนังสือนวา ก, กวาที่ได้รับไปเนี่ยพยายามไปศึกษาแล้วก็ตอนที่เราลงปาธิโมกเนี่ยท่านพระเถรานุเถระได้พูดถึงวินัยเนี่ยถ้าเราสงสัยอะไรก็ควรจะมีการสอบถามกันวินัยนี่ช่วยช่วยทําให้สติช่วยเอื้อประโยชน์กับการที่จะให้เรามีสติสําหรับพระสงฆ์นะอันนี้ตัวกระผมนี่ทำไมเองได้รับประโยชน์จากการศึกษาวินยัย แต่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวเองก็ยังไม่ถึงที่สุดแต่ก็มีความศรัทธาแล้วมีความเชื่อว่าที่สุดนั้นมันมีที่มาบวชเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคำพูดของหลวงพ่อเทียนของพ่อคาเขียนที่ท่านท้าทายว่าที่สุดของทุก์นั้นมีซึ่งมันก็ไปตรงกับที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เมื่อสองพันหกร้อยปีสิ่งที่ท่านตัดสู้เมื่อสองพันร้อยปีนั้น มีจริงๆแต่ก่อนเราก็เพียงแค่ศรัทธาฟังตามๆกันมานะแต่ณวันนี้เนี่ยจากการที่เราได้ฝึกปฏิบัติพอที่จะค่อยๆเดินทางไปเนี่ยก็มีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้วก็มันมีจริงๆนะแม้ว่าตัวเราจะยังไม่ถึงที่สุดแต่เราก็มีความเชื่อมั่นว่ามันมีจริงๆและพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเป็นถ้าเรียก ในยุคปัจจุบันคือท่านท่านเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะมากที่สามารถเรียนรู้สิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งภายในตัวเองได้่เป็นวิชาการหรือเป็นศาสตรท์ที่วิเศษมากๆาตัวกระผมเรียทํามาเองเรียนในมหาวิทยาลัยทําหน้าที่เป็นครูสอนเนี่ยก็ไม่มีเรื่องพวกนี้ในมหาวิทยาลัยในหนังสือต่างๆที่เราเรียนจากทางโลกก็ไม่มี แต่เมื่อเรามาได้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยโอ้อันนี้มีด้วยนะมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากแล้วมนุษย์ทุกคนที่ต้องการที่จะพ้นทุกข์เนี่ยน่าจะต้องมาเรียนเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้รับมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเราก็รักษาการรักษาก็คือการที่เราเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติให้เกิดผลกับตัวเราเองสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็จะเป็นการสืบทอดปัญญาที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบความรู้ที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบเมื่อสองพันกร้อยปีให้มันยืนยาวต่อไปให้มันเป็นสมบัติของมนุษยชาติให้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษยชาติเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะซึ่งซึ่งเป็นยอดปาร์ตนาของคนในในในทุ ก, ทกยุคทุกสมัยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะมองเห็นยากนิดนึงเพราะว่า มันจะต้องผ่านความทุกข์เข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นอริยาาสัจสี่เนี่ยจึงเริ่มต้นที่ทุกข์ไม่มีไม่มีพูดถึงสุขเลยนะนี้ก็คือย้อนกลับมาว่าการมาฝึกปฏิบัติเนี่ยแน่นอนเราต้องเจอความทุกข์แต่อย่าท้อความทุกข์นั่นแหะมาทดสอบความอดทนมาทดสอบกําลังใจเราแล้วเราผ่านทุกข์ไปเนี่ยเราก็จะสัมผัสกับความเป็นปกติได้นะนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะ นำเสนอนะให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่านะที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันแต่จะคุ้มค่ามากที่สุดก็คือเราได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยเอาไว้ก่อนในมีบางคนชวนกันไปล้างสารพิษอะไรอย่างนี้ที่จริงอันนี้เอาไว้ก่อน มาล้างพิษใจเราดีกว่านะล้างพิษกายเนี่ยเดี๋ยว ท, ทําทีหลังก็ได้นะนี่ก็อยากจะฝากฝากเอาไว้คือที่นี่เนี่ยจุดใหญ่หรือเน้นก็คือล้างพิษใจมากกว่าล้างพิษกายนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกิจกรรมส่วนเสริมนะตัวก็ผมเรียทําเองก็ได้ได้ร่วมล้างพิษล้างพิษกายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยแล้วเราตั้งใจมาแล้วมา ปฏิบัติมาเจริญสตนะิก็ขอให้เราใช้ความตั้งใจนั้นในระยะไม่กี่วันโดยเฉพาะคนที่ทํางานมีเวลาน้อยนะก็ใช้เวลาเนี่ยให้คุ้มค่านะก็จะได้เกิดประโยชน์นะนี้ก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านที่มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตแล้วก็หวังว่าการที่เราได้เสียสละเวล า, เ, าเสียสละทรัพย์ เสียสละหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นผลให้เราได้รู้เข้าใจความจริงของชีวิตจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามและก็สามารถที่จะปล่อยวางได้สามารถสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงนะีก็คือความเป็นปกติของใจที่มันมีอยู่แล้วมีอยู่ทุกเวลา สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการให้ให้รางวัลกับตัวเราเองที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สัมผัสกับความจริงอันนี้นะก็ขออนุมโมทนาทุกท่านไว้โอกาสนี้สิ่งที่ได้พูดคุยไปนําเสนอไปถ้ามีอะไรกระตอกบอกพร่องก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้ชี้แนะตักเตือนตัวกับภผมิฤตมาใน ในโอกาสต่อไปก็ขออายุติไว้เพียงเท่านี้